ตอนที่หนึหาเรื่องถึงโรงพยาบาลพี่ตอนนี้พี่มีความสุขแล้วจะไม่สนใจความสุขของน้องสาวอย่างฉเฉลยเหรอถ้าพี่ไม่ช่วยฉันจะไปหาแม่ให้แม่จัดการที่ให้หนักเลยตามใจหยวนเศร้าเหิงไม่กลัวเมื่อเห็นว่าคําขู่ใช้ไม่ได้ผลหยวนเหย็นเหยีย น, ยยนจึงคร่องออกมาอีกว่าก็ได้ถ้าพี่ไม่ช่วยฉันก็จะไปโผล่หน้าให้พี่สองคนรําคาญตาทุกวันถึงตอนนั้นพี่ไม่อยากช่วยก็ต้องช่วยหยวนเศร้าเหิงสูดลมหายใจเข้าลึกพลางท่องในใจซ้ําๆว่า น้องในไซส์ตั้งแต่เด็กเขาไม่มีความรู้สึกว่าการมีน้องสาวเป็นอย่างไรมีแต่พวกน้องชายที่ถ้าไม่เชื่อฟังก็สามารถลงไม้ลงมือได้โดยตรงแต่ไม้ไอ้นี้เห็นได้ชัดว่าใช่กับหยวนเยียนเยียนไม่ได้ผลหยวนเยียนเยียนยังคงเชิดหน้าสู้สายตาที่เหมือนจะฆ่าคนได้ของหยวนเศร้าเหิงเธอเบิกตากว้างจ้องมองเขาจะทําไมก็ได้เงินเธอก็น่าจะรู้ว่าเศร้าหยางชอบเธอนะหยวนเศร้าเหิงถามด้วยน้ําเสียงราบเรียบเขามีใจให้เธอฉันว่าเขายังดูพึ่งพาได้มากกว่าเหวนโม่เสียอีก เธอจะชอบใครก็ได้ทำไมต้องเป็นเหมือนโม่ผู้ชายคนนั้นดูอ่อนแอจะตายต่อไปจะเอาอะไรมาปกป้องเธอพี่อย่ามองคนแค่ภายนอกแล้วดูถูกคนอื่นสิฉันหาคนมาใช้ชีวิตคู่ด้วยนะไม่ได้หาคนมาออกรบหยวนเย็ยนเย็ยนพูดอย่างอารมณ์เสียเจ้างซ่ อ, อยอยางชอบฉันแล้วฉันจําเป็นต้องชอบเขาด้วยเหรอถ้าตอนนี้ฉันหาใครสักคนมาให้พี่พี่จะยอมเลิกกับพี่สไยไหมล่ะ เรื่องของความรู้สึกมันบอกกันไม่ได้หรอกขนาดที่ยังทําไม่ได้เลยอย่ามาสั่งฉันเสียให้ยากยังไงฉันก็ชอบเหวินโม่ฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเหมือนกันอาจเป็นเพราะฉันเรียนไม่เก่งฉันเลยชอบคนที่เรียนเก่งๆและดูเรียบร้อยแบบนั้นเหวินเศร้าเหงิงจนปัญญาจะวิจาจรณ์จริงๆเรื่องของความรู้สึกมันพูดยากก็จริงแต่ประเด็นสําคัญคือฝ่ายชายเขาไม่ได้ชอบเธอเลยสักนิดเธอชอบคนที่เรียนเก่งแต่เขาก็ชอบคนที่เรียนเก่งเหมือนกัน ฉันแค่กลัวว่าเธอจะเสียใจภายหลังเหวินโมไม่ชอบเธอก็ไม่เห็นจำเป็นต้องตามตื้อขนาดนั้นหยุนเย็ยนเย็ยนเม้มปากไม่ยอมผููจาเห็นได้ชัดว่าไม่อยากสนใจหยุนเศร้าเหิงแล้วเรื่องนี้คงต้องค่อยเป็นค่อยไปหวินเศร้าเหิงรู้ดีว่าหยุนเย็ยนเย็ยนนั้นดื้อรั้นแค่ไหนแต่ดูท่าแล้วเรื่องนี้คงต้องรบกวนให้พ่อกับแม่ช่วยปวดหัวด้วยให้พวกท่านช่วยเกลี้ยกล่อมเย็ยนเย็ยนให้ดีอย่าได้เอาใจไปวางไว้กับคนที่ไม่ควรวางเลยมันไม่คุ้มค่า ในไม่อยากจะมีความรักก็ควรหาคนที่พึ่งพาได้ทําไมต้องเป็นเหวินโม่ด้วยตอนนี้เหวนเศร้าหัิเริ่มมองเหวินโม่ไม่สบอารมณ์เสียแล้วเหวินโม่เองก็สัมผัสได้ว่าท่าทีการตามจีบของหยวนเย็นเย็นนั้นรุนแรงเหลือเกินเป็นอย่างที่เจ้าตัวพูดไว้จริงๆเธอมาดักรอเขาที่หน้าโรงพยาบาลทุกเย็นเหวนเย็นเย็นรอเขาส่วนหยวนเศร้าเหิร์ก็รอหลี่หวานเหวินโม่เคยปฏิเสธเหวนเย็นเยียนเป็นการส่วนตัวมาแล้ว เพราะรู้ว่าสุภาพสตรีนั้นรักศักดิ์ศรีบางเรื่องไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่นแต่หยวนเหย็ยนเย็ยนกลับยิ่งถูกปฏิเสธก็ยิ่งหึดซู้นอกจัดจะไม่เสียใจแล้วถ้ายังตามตื้อหนักกว่าเดิมเสียอีกหยวนเศร้าเหิงขับรถมาบอกว่าจะไม่รับทั้งสองคนไปด้วยแต่เขาก็ไม่สบายใจที่จะปล่อยให้น้องสาวไปกับเวิร์ม้ตามลาพังสุดท้ายจึงกลายเป็นการร่วมทางกันสี่คนอย่างเลี่ยงไม่ได้หลีหวันเองก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่น่าอึดอัด เธออดไม่ได้ที่จะถามความคิดเห็นของหวอนโมในช่วงพักกินข้าวกลางวันซึ่งเป็นเวลาที่ทั้งคู่ไม่มีคนเท่พอดีอาหารในโรงอาหารของโรงพยาบาล น, นั้นแย่กว่าโรงอาหารในมหาวิทยาลัยมากทั้งคู่จึงไม่ค่อยมีเจริญอาหารนักเวอนโม่นั้นเลือกกินมาตั้งแต่เด็กส่วนหลิวานก็คุ้นชินกับอาหารดีๆที่บ้านลิวานเคี่ยวอาหารในชามอย่างเซ็งๆก่อนจะถามขึ้นมาลอยๆว่าถ้าคุณไม่ชอบเหย็นเหยนคุณต้องรีบบอกเธอแต่เนิ่ๆนๆณตอนนี้เธอชอบคุณมากฉันกลัวว่าถึงเวลาเธอจะรับความผิดหวังไม่ไหว เรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดผมก็พูดไปหมดแล้วแต่เธอไม่ฟังเลยผมก็จนปัญญาเวินโมขมวดคิ้วแน่นนอกจากว่าตอนนี้ผมจะมีแฟนไปเลยเธออาจจะเลิกหวังในตัวผมแต่ผมยังไม่มีความคิดเรื่องนี้เลยผมคงไม่สามารถหาใครสักคนมาคบส่งส่งเพียงเพื่อหนีเธอหรอกนะเรื่องของความรู้สึกมันสุม 4, สี่สุมห้าไม่ได้จริงๆหรือ ห, หวนนพยักษหน้าอย่างครุ่นคิดเธอเข้าใจเขาเสียหวานคุณสองคนคบกันมานานขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าเขาเป็นยังไงบ้างเหวินโม่ถามถึงยวนเศร้าเหิง เขาดีมากหลีหวานให้คะแนนประเมินสูงมากเธอไม่ได้มีความคิดอื่นใดต่อเขาเลยบางทีสุดท้ายแล้วพวกเธอทั้งสองอาจจะเดินไปถึงขั้นแต่งงานกันเมื่อหลีหวานพูดความในใจออกมาอย่างไม่ลังเลหากจะบอกว่าหวนโม่ไม่รู้สึกผิดหวังในใจก็คงเป็นการโกหกผมยังนึกว่าคุณสองคนจะเลิกกันแล้วผมจะได้มีโอกาสแทรกเข้าไปเสียอีกหวนโมเกรงว่าคุณจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วละ่ะ ในใจของหลีหวานไม่อาจบรรจุใครคนอื่นได้อีกไม่ว่ายังไงผมก็หวังว่าคุณจะมีความสุขเหยวนโม่ฝืนยิ้มออกมาพอถึงช่วงบ่ายขณะที่หลีหวานกำลังนั่งอยู่ในห้องตรวจก็พันได้ยินเสียงแอวยวายจากทางเดินด้านนอกตอนแรกเธอนึกว่าเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนทั่ทวไปแต่กลับได้ยินชื่อเจิ้งเสยวหยางและหยวนเยียนเธอจึงรีบก้าวเท้าออกไปดู เจิงเศร้าหยางกำลังกระชากคอเสื้อของเวินโมที่ทางเดินทั้งคู่เผชิญหน้ากันอย่างดูเดือดร่างกายของเวินโมดูบอบบางกว่าแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมารังแกได้ง่ายๆพวกคุณสองคนทำอะไรกันที่นี่คือโรงพยาบาลไม่ใช่ที่สำหรับมาก่อเรื่องสีหน้าของหลีหวานเปลี่ยนไปทันทีเธอรีบเข้าไปแยกทั้งสองคนออกจากกันเจิงเศร้าหยางยอมระมือเพราะเห็นแก่นหน้าหลีหวานเขาไม่คิดว่าเธอจะอยู่ที่นี่ด้วย เสี่ยวหวานนี้เป็นเรื่องระหว่างผู้ชายให้เราจัดการกันเองเถอะถ้าคุณไม่มีธุระอะไรก็ไปรอข้างๆก่อนฉันจะมีธุระได้ยังไงฉันหมายความว่าพวกคุณสองคนกำลังทำอะไรกันหลี่หว่านใช้น้ำเสียงจริงจังรีบปล่อยมือเดี๋ยวนี้ใคอยะจะชกต่อยก็ออกไปต่อยกันข้างนอกอย่ามาอลวาวะที่นี่เจิ้งเซาหยางสะบัดมือออกอย่างฮึดฮัดพลางปัดมือเหมือนดังเกียจคุณก็ถามให้สารเลวนี่ดูสิว่ามันทำอะไรไว้มันกล้ารังแกเย็ยนเย็ยนเย็ยนย็ย น, ยยนร้องให้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ตาบวมเป่งไปหมดแล้ว ต่อให้เวนโม่จะมีมารยาทแค่ไหนแต่ตอนนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะสบถออกมาเจอคนบ้าเข้าให้อีกคนแล้วเมื่อคืนเหวนโม่ก็แค่ปฏิเสธหยวนเย็นเย็นอีกครั้งกลายเป็นว่าแม้แต่จะปฏิเสธเขาก็ทําไม่ได้เลยหรือเรื่องของความรู้สึกเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองเลยหรือไงผมไม่มีเวลามาเล่นไร้สาระกับพวกเด็กเมื่อวานซืนอย่างพวกคุณหรอกนะผมยังมีคนให้รออยู่ถ้าอยากจะหาเรื่องนะักก็รอให้ผมเลิกงานก่อนค่อยว่ากันส่วน อ, อย่างคุณตามฉันมานี่ ลิวานหันหลังเดินเข้าห้องตรวจเจิ้งเสีย่ยวหยางเดินตามเข้าไปอย่างไม่เต็มใจนะักจากนั้นเธอก็ปิดประตูลงเป็นอะไรไปสบายใจได้ต่อไปผมจะไม่มาก่อเรื่องในโรงพยาบาลอีกและเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณแน่นอนผมแค่ต้องการสั่งสอนในสารเลวนั่นใครใช้ให้มันมารังแกเหย็นเย็นล่ะคุณยังไม่ทันรู้ความจริงก็บุ่มบ่ามาทำร้ายคนในโรงพยาบาลถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาเกรงว่าคุณคงต้องถูกถอดเครื่องแบบทหารทิ้งแน่ การถูกบังคับให้ลาออกจากกองทัพเขตทหารคือบทลงโทษที่เบาที่สุดแล้วที่นี่คือโรงพยาบาลประชาชนเขตทหารหลีหว่านมองว่าเขาช่างวุ่นวายจริงๆตอนนี้ก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วยังกล้าทำเรื่องแบบนี้อีกหากผู้นำระดับสูงรู้เขาคงไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆแนะ่